อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ366 1้ิกภิกษุอาบน้ําในสมัย2อภิกษุอาบน้ําช่วงครึ่งเดือน3าภิกษุอาบน้ําช่วงเกินกว่าครึ่งเดือน4ีภิกษุผู้ข้ามฝั่งจึงอาบน้ํา5าภิกษุอาบน้ําในปัจจันตะชนบททุกแห่ง6กภิกษุมีเหตุขัดข้องเจภิกษุวิกลจริต8ปภิกษุต้นบัญญัตินาหน้าสิกขาบทที่7จบ